بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا ل ْ ح َ م ْ د لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ و َ ن َ ع ُ و ذ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أ َ ن ْ ف ُ س ِ ن َ ا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَدْلِلَ فَلَا م ُ ض ِ ل َّ وَمَن ي ُ ض ْ ل ِ ل فَلَا ه َ ا د ِ ي َ ه ٌ أَشْهَدُ أ َ ل ا ل ا ا ل ل ه و ح ْ د ه لَا ش ر ِ ي ك ل َ ه و َ ش ه َ د ن ّ م ح َ م ّ د ً ا ع ب ه و ا ل um ah um ah l, l q q um na, na, ut, nah ya, a h ص ل على محمدٍ وعلى آ ل ه و َ أ ص ح ا ب ه و م ن ت ب ع ه م ب إ ح س ا ن ل ل ا ي َ م ا ل د ي ن ر ب ِ ش ر ح ل ي ص د ر ي و ي َ ر ل ي أ م ر ي و ح ل ا ل ع ب د َ ة م ِ ل س ا ن ي ي ف ق ه ق و ل ي ا ل ل ه م ب ك أ ص ب ح ن ا و ب ك أ م س ي ن ا و ب ك ن م و ت و ب ك ن ح ي َ و إ ل َ ي ْ ك َ ن ش و ر ا ل ل ه م أ ن ت ر ب ي ل ا إ ل إ ِ خلقني ah uh. ah uh. و ن ا عبدك و ن ا على عهدك ووعدك مستطعت ب و ل ك ب ن ع م ت ك ع ل ي و ب و بذنبي فغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب ل ا أنت اللهم ن ي ع و ذ بك من شر ما صنعت سلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมนมุบฮหรือนมัสร ที่รักทุกทุกท่านครับก่อนอื่นต้องขอบคุณอัลลอฮฺ س ب ح ا ه แะก็ุตะจัลาที่อัลลอฮได้ให้เราตื่นขึ้นมาหลังจากที่ได้นอนหลับไปแล้วบางคนเนี่ยหลับเลยนอนแล้วตายแต่เราเนี่ยอัลลอยังเมตตาอยู่ให้ฟื้นขึ้นมาตื่นขึ้นมาฉะนั้นต้องขอบคุณอัลลอฮฺโดยการ ขออาบนที่นอนก่อนที่จะลุกขึ้นก็คืออัลฮัมด ah ุลิลลาฮิลลซอยานะบาดามะอามตนาลฮินชูรนี่เป็นดวงอาบบทแรกที่เรามุสลิมทุกคนจะต้องขอบคุณอัลลอ์ที่เราตื่นมาการดวอาเข้าห้องน้ำดวอาออกจากห้องน้ำดวอาใส่เสื้อดวอาส่องกระจก ดูอาออกจากบ้านดูอานั่งรถดูอาเข้ามัสยิดซึ่งเราต้องรำลึกถึงอัลลอ์คิดถึงอัลลอฮ์โดยการผ่านบทดูอาต่างๆทำให้หัวใจของเราเองเนี่ยมีความสงบเกิดขึ้นพออายุเราเยอะแล้วขอบคุณอัลลอ์นะครับที่เราได้ทบทวนอัลกุรอานหลังจากน้นมาซุบก็นั่งอ่านกุรอานกัน แต่วันนี้เ ร, ราอ่านคุรูอานแบบรู้ความหมายนะครับเอาความหมายจากอัลกุรอานเนี่มาอธิบายเพื่อให้เราได้เข้าใจอิสลามเพิ่มขึ้นจะได้ไม่เป็นคนที่ทรยศต่ตออัลลอ์เพิ่มขึ้นเราจะได้นอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์เพิ่มขึ้นครั้งที่แล้วหยุดวันอาทิตย์ที่แล้วหยุดไปจังหวัดกระบี่กลับไม่ทัน ก็วันนี้ถ้ามองกันตามโลกดุญญนยาในวันนี้เป็นวันวันที่หนึ่งเดือนมกราวันขึ้นปีใหม่เมื่อคืนส่งท้ายปีเก่าในทัศนคของอลอิสลามแล้วเนี่ยไม่มีไม่มีวันอะไรสำคัญวันสำคัญของอิสลามของมุสลิมเนี่ยทั่วโลกเนี่ยคนที่เข้าใจอิสลามเนี่ยมีอยู่สองวันเท่านั้นแหละ วันอีดุลอัลบาฮากวันอีดุลฟิตรีนะครับแต่มุสลิมที่หลงไปก็เยอะเมื่อคืนไปเข้าดาวกันเนี่ยมาได้นอนไม่ได้หลับพิ่จะเริ่มนอนตอนอาดานนี่แหละพออาดานปั๊บง่วงเลยเพราะว่าทั้งคืนน่ะอยู่บนถนนบ้างกาลังทำเซนากันบ้างกาลังดื่มเหล้ากันบ้างกะดำดื่มของฮารามกันบ้างซึ่งถูกหลอกทั้งหมดนั่นแหละ และจะรู้สึกตัวถ้าหากไม่กลับตัวถ้ามุสลิมเราไม่กลับตัวนะหรือคนทั้งโลกเนี่ยไม่กลับตัวก็รอาการลงโทษจากอัลลอ์เท่านั้นแหละจต่ น, น้ำท่วมครั้งที่แล้วเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่มากเลยพอน้ำท่วมในสมัยนบีนุฮ์ก็เนื่องจากคนเนียไม่ให้ไม่รักอัลลอ์ทรยศต่อคำสั่งของอัลลอ์ ครั้งนี้น้ำท่วมอีกในยุคเรานี้ก็เหมือนกันเนื่องจากคนนี่ออกห่างจากอัลลอ์ไม่สูดอยู่ต่ออัลลอ์ไม่ให้เกียรติกับอัลกุรอานและไม่ให้เกียรติกับนบีมุฮัมมัดและสุนนะของท่านนาบีมลาลาลาลาุฮัมมัดสลลัลอะฮอัลลอฮ์ก็ลงโทษนะครับแต่มีกี่คนที่สำนึกตัวคนที่สำนึกตัวเป็นคนดีหมดนะครับ คนบางคนเนี่ยออกจากบ้านตัวเองราคา1ิบล้านไปอยู่ที่อื่นแทนที่จะนมาศนะไม่นมาศครับมีไหมมีฉะนั้นหลายคนนะครับที่เป็นคนดีมีไหมมีนะครับแต่คนไม่ดีก็เยอะในสังคมฉะนั้นกุณอ่านเนี่ยจะสอนให้เราคิดตลอดเวลาว่าเรื่องใหญ่คือต้องรู้จักอัลลอ์ต้องขอบคุณอัลลอ์ต้องเรียนรู้เรื่องของอัลลอ์ นั่นละเป็นคนที่ดีที่สุดนะครับในอากุรอานที่เราเรียนผ่านๆกันมาเนี่ยทบทวนที่ผ่านมาเนี่ยได้เราเราได้ข้อสรุปบอกว่ามนุษย์นั้นมีสองประเภทนะประเภทหนึ่งก็คืออามาโมที่ إ ي م านศรัทธาต่ออัลลอฮ์และอีกกลุ่มหนึ่งก็คือไม่อิมานไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และอัลละฮ์ก็ได้อุทาหอนยกตัวอย่างให้เห็นผู้ที่ไร้ศรัทธานั้นความดีที่เขาทํานั้นเหมือนกับ ร่มดินพอจะจำได้ใช่ไหมแปลว่าฝุ่นเห็นไหมอ่าเวลาลมพัดมาเนี่ยพาฝุ่นไปด้วยต้องการจะบอกว่าความดีของผู้ที่ไร้ศรัทธาทำความดีเหมือนมุสลิมแต่อัลลอ์ไม่รับความดีของเขาในโลกอาคียะแต่อัลลอ์จะตอบแทนให้เฉพาะบนดุนยาใบนี้เท่านั้นนะแล้วก็อัลลอ์ก็เปรียบเทียบอีก ผู้ไร้ศรัทธานั้นเปรียบเสมือนต้นไม้ล้มลุกส่วนผู้ศรัทธานั้นเปรียบเสมือนต้นไม้ยืนต้นต้นไม้ใหญ่ๆก็ชี้ไปที่ต้นอินทพาลำเนี่ยต้นมันใหญ่แล้วก็ลมมาเนี่ยไม่ไม่ไม่มีอันตรายใดๆกับต้นไม้ต้นใหญ่แต่ต้นไม้เล็กๆเนี่ยอย่างต้นพริกต้นมะนาวเนี่ยลมมาแรงๆไปหมดนั่นเปรียบอัลลอให้เปรียบให้เห็นผู้ไร้ศรัทธา เป็นต้นไม้ลมลุกส่วนผู้ที่ศรัทธาที่เข้มข้นนั้นเปรียบเสมือนต้นไม้ลำต้นใหญ่ๆที่ยืนต้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับจากอัลกุรอานที่ผ่านมาว่าคนกาเฟรเนี่ยคนผู้ไร้ศรัทธาเนี่ยนะชอบเปลี่ยนแปลงความโปรดปรานของอัลลอ์เอาของดีๆเนี่ยเปลี่ยนไปยึดของที่ไม่ดี นะครับนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองพวกเขาตั้งบูชาจเจวตนะบูชารูปปั้นสิ่งอื่นนอกจากอัลลอ์นะครับแล้วก็ประการที่สามนำาคนให้หลงนั่นถือเป็นความหายนะอันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับเอาวันนี้เรามาดูอายาที่33นะครับอายาที่แล้วอายาที่32พูดว่าอัลลอ์ให้ ให้ฝนตกลงมาจะฟ้ า, า, กาก้าแล้วก็ให้ต้นไม้งอกงามเพราะน้ําแล้วก็เราก็ได้อ่านพบว่ามีน้ําหยดหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยถ้าเข้าไปในปากวัวเนี่ยออกมาเป็นฉีถ้าเข้าไปในปากกวางออกมาเป็นชมดชีียงน้ําหยดหนึ่งของอัลลอฮ์เนี่ยถ้าเข้าไปอยู่ในปากงู ออกมาเป็นอะไรนะเป็นพิษอ่าเป็นพิษแล้วน้ำหยดหนึ่งถ้าเข้าไปในปากมดก็จะออกมาเป็นเส้นไหมแล้วก็น้ำหยดหนึ่งถ้าเข้าไปในปากหอยออกมาจะเป็นไข่มุกนี่ใครทำนี่แหละเป็นความสามารถของอัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินมนุษย์ต้องใช้ปัญญาแหละงานนี้ นะครับคิดอนั่นละจะกลับไปหา h h อัลลอฮ์ سبحانه แะ تعالى เอามาดูอายะที่ส3นะครับวัสักรโลกุมชัมซหัลกมารดาอิบายซักรนี่แปลว่าอัลลอ์ให้ให้ประโยชน์นะแปลว่าให้ประโยชน์ อัลลอ์ได้ทรงทำให้อะไรนะให้ดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์นะครับแล้วก็ได้อีบายยัแปลว่าโคโจรใช่ไหมโคโจรวนเวียนอย่างนี้นะ่ะเป็นเป็นอะไรนะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นประจำทุกวันเลยนะ่ะ ดวงอาทิตย์ดวงนี้จะขึ้นทางนี้เราจะตกทางทิศตะวันตกแล้วก็มีดวงดวงดาวดวงเดือนทั้งหมดบนท้องฟ้าเนี่ยเดินอย่างนี้โคโจรแบบนี้จนกว่าจะถึงวันเตียมะดาอิบานทั้งสองนี่นะดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์เนี่ยสองรายการนี่เล่าอาลัลลอฮ์เล่าสองรายการทท่านั้นเองดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์โคโจรอย่างนี้แหละ ทุกวันทุกวันทุ cues, graffiti, пис, กวันทุกวันทุกวันทุกวันจนกระทั่งถึงวันตรีมาสขารละกุมเป็นประโยชน์แก่สูเจ้าอ้าวเรามาดูเสียกลางวันกับกลางคืนเนี่ยนะดวงอาทิตย์เนี่ยสองแสงในเวลากลางวันส่วนกอมัสดวงเดือนเนี่ยส่วนใหญ่ก็เราได้ประโยชน์ในเวลากลางคืนถามว่าเราได้ประโยชน์อะไรบ้างกลางวันเนี่ยทำให้เรา แสวงหารีสกีของอัลลอฮ์นะครับพอมีดวงตะวันโผล่ขึ้นมาเนี่ยแต่ท่านคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเมื่อได้เห็นดวงตะวันโผล่ขึ้นมามีดูอาอ่านนะไม่ใช่ไม่มีนะมีดูอาอ่านอีกนะครับตอนเช้ามีดูอาอ่านอีกดูอาตอนเช้านะเขาเรียกว่าสอบาฮีอะดูอาฟิลอบะฮ์ดูอาในตอนเช้าว่าดูอาฟิลมัซะดูอาในตอนเย็น นั่นต้องมุมินมีภารกิจเยอะไม่เหมือนคนคาเฟ่เนี่ยคนายคนาเฟ่คนคาเฟ่นี่ยมันต้องมีภารกิจอะไรเยอะมัต้องสวดยูดมัต้องขอบคุณไม่ต้องรำลึกถึงอัลลอฮ์แต่มุมินตะ ว, วันขึ้นก็รำลึกถึงอัลลอฮ์นมาดูฮาอีกก่อนตะ ว, วันขึ้นนมาสุโบอีกใช่ไหมและวกลางวันออกไปสแสวงหาริสกีของอัลลอฮ์พอพูดถึงเรื่องสแสวงหาริสกีของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้เราดู ดูอะไรเป็นแบบดูนกอาต่อยในภาษาอ раб เอาต่อยดูนกเป็นแบบนกเนี่ยมันออกจากรังของมันในตอนเชา้าท้องเนี่ยแห้งเนี่ยในภาษาหะดีสนะนบีอธิบายไว้นะให้ดูนกเป็นแบบเวลามันออกไปเนี่ยออกไปทา ม, มาไปหาเสวงหาลิสกีเนี่ยพอตอนเย็นมันกลับมาเนี่ยท้องมันอิ่มแล้วก็ยังพาอาหารมาให้ลูกมันอีก นกไม่มีออฟฟิศนกไม่มีออฟฟิศแต่ว่กากันต่ออัลลอฮ์เลยพอออกไปเช้าเช้าเนี่ยพอตอนเย็นเนี่ยได้ทุกตัวเลยรีสกีเต็มไปหมดเลยถ้าหาพี่น้องมุมินที่เข้าใจอิสลามเนี่ยเขาจะไม่โทษแท้กับชีวิตของเขาฉะนั้นกลางวันแสวงหารีสกีของอัลลอฮ์เวลาเราออกออกออกนอกบ้านก็มีดวงอาอ่านเองอะ่ะใช่ไหม บิสมิลลาฮิร rowا kullu 'alal lah ิวะลา حاول วะลา قوّة ล ل ّ ا ล ا ل ل ه ฉันขอมอบตัวของฉันมอบบ้านของฉันมอบคนที่อยู่ในบ้านของฉันให้อลลอฺดูแลแทนฉันตอนที่ยันอยู่ข้างนอกเนี่ยอลลอดูแลฉันด้วยเนี่ยเป็นดูอาอัทั้งหมดเป็นการสอนให้เราลำลึกถึงอลลอฺสุบฮานาหูวาตาละแสดงว่ากลางวันเนี่ยให้ออกไปสะแสวงหาฤสกีของอลลอฺส่วนกลางคืนเห็นดวงจันทร์ เอาไว้อะไรนะพักผ่อนเคยอธิบายเคยเล่าให้พวกเราฟังทีหนึ่งแล้วว่ามันมีคดีอยู่คดีหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งรักภรรยาเขามากแล้วก็ไปนั่งอยู่ใต้ใต้ไร น, นะเดือนวันเพนนนะ่ะก็ชมภรรยาบอกว่าจะหากว่าเธอเนี่ยไม่สวยกว่าดวงจันทนระ์ฉันกับเธอนะ่ะยากันนะตอนลา ก, ก เรื่องนี้ไปถึงกษัตริย์ยาฟัตอัลมังซูรซึ่งเป็นขอลิฟะพอเสร็จแล้วก็ท่านขอลิฟะก็เชิญอุลมามะมาประชุมอุลมามะมากันเยอะทุกคนบอกว่าการพูดภาษานี้เนี่ยถ้าหากเธอไม่สวยกว่าดวงจันทร์เธอกระันยากันเนี่ยทุกคนว่าตกหมดเลยเกิดตอนรักเจอการยาร้างกัน แต่มีอยู่คนหนึ่งเป็นอุลามะนั่งอยู่ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอิหม่ามอบูฮานิฟานั่งอยู่เงียบๆคนเดียวท่านอบูญัฟฟัดมัลซูรก็บอกเป็นคอลิฟะบอกท่านท่า น, ท, านท่านว่าไงนั่งเ ง, งียบอยู่อบูญัฟฟัดมัลซูรพอถามจบอุลามะคนนี้ตอบบอกว่าฉันว่าไม่ตกอายะคุรานตรงไหนที่บอกไม่ตกอัลลอฮฺสร้างมนุษย์มา ในรูปร่างที่สวยงามอินนาคอลัคนอลอินซาฟีอัลซะนิตักวีฉันสร้างมนุษย์มาในรูปร่างที่สวยมากเลยฉะนั้นไม่มีอะไรในโลกใบนี้ที่จะสวยกว่ามนุษย์ไม่มีฉะนั้นที่ผู้ชายคนนี้ชมภรรยาของเขาบอกว่าถ้าเธอไม่สวยกว่าดวงจันทร์ เธอกระัญญากันเป็นคำพูดที่ถูกต้องแล้วไม่ตกฮัมดุลิลละไปนองตั้งหลายนนในโลกดุญาไปนี้มันมีอะไรแปลกๆเยอะทำให้เราได้เข้าใจอิสลามเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นกลางวันอลัลลอ์ให้ดวงอาทิตย์มาเพื่อเราจะได้ออกไปแสวงหาทิสกีของอลัลลอ์ส่วนกลางคืนนั้นอลัลลอ์ให้ดวงดวงาดวงจันมาไปละพักผ่อน เวลานอนไม่หลับกลางคืนเนี่ยรู้เปล่านบีให้อ่านดูออัลลอฮุมมะอรตินูจมวาฮะดาอติลอยุนอันตะฮยุนกัยยุมลาตซฮสินตวะลาาอัลลอฮุมมดไลลีวอนิมอายนีผมท่องจังเพราะว่าผมเป็นคนที่นอนไม่คอยหลับเพราะอ่านดูอาบทนี้ลฮัมดุลิลลหลัฮัมดุลิลละ เพราะฉะนั้นพี่น้องครับมีดูอาทั้งหมดมีดูอาทุกขั้นตอนเลยนะครับของชีวิตของเราเอาละกับพี่น้องตกลงว่าเอา ล, ล้อเนี่ยทำให้ดวงตะวันกับดวงเดือนโคจรวนเวียนนะครับเป็นประโยชน์แก่สูเจ้าอยู่เป็นประจำจนกระทั่งถึงวัน เิียมะสิลโลขอบคุณอัลลอฮฺทั้นอยากาบดวงอาทิตย์และยากาบดวงจันทร์ะนะครับและยากาบดวงเดือนสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าทั้งหมดห้ามกราบเว้นแต่อัลลอฮฺสุพลาอองเดียวเท่านั้นวะซัคราะลากุมุลไลลาวันนะฮะและอัลลอฮฺส่งให้กลางคืนและกลางวันเป็นประโยชน์แก่สู่เจ้า อ่าตรงนี้อธิบายแล้วกลางคืนเอาไว้นอนพักผ่อนกลางวันเอาไว้ออกไปสแสวงหาทฤษกีของอัลลอฮ์สุพาหู ว, วตาแล้วพี่น้องครับดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์เนี่ยอัลลอฮ์มีประโยชน์มากและเป็นการสร้างของอัลลอ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีการสร้างอะไรที่ที่มีประโยชน์มากที่สุดเท่ากับการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินและอัลลอ์ก็ท้าว่าใครมีความสามารถเชิญ นะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณอัลลอฮ์สุภาพนาตาลาด้วยการมาเรียนอิสลามจะให้หัวใจสงบเนี่ยมีอยู่4ี่วิธีต้องการให้หัวใจสงบเนี่ยนะล้ำลึกถึงอัลลอฮ์มีอยู่สแบบแบบที่หนึ่งให้เวลาการฟังศาสนาให้เวลาการเรียนศาสนาทําให้หัวใจสงบเนี่ยมาฟังบรรยายวันอะไรนะวันเสาร์วันอาทิตย์ ล้วก็เรียนตับซีดนะตอนเชา้าแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยทาให้หัวใจมาสงบนะข้อที่สองรำลึกถึงอัลลอผ่านบทด ع ا ء ต่างๆที่แนะนำเมื่อกี้เนี่ยตอนตื่นนอนบนที่นอนอ่านดุอาใช่ไหมอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดอัลฮัยยานะบาดามะอามะตานาวะอิลัฮินชูตรต้องรู้คำแปลด้วยนะถ้าไม่รู้คำแปลแบบนกแก้วมันไม่ดีอ่ะต้องรู้คำแปลจะได้รู้ว่าเราขออะไรอัลลอ ต่ออัลลอฮ์สุภาณอวตาร์ละดูอาเข้าห้องน้ําต้องรู้คําแปลด้วยดูอาออกจากห้องน้ําต้องรู้คําแปลดูอาใส่เสื้อต้องรู้คําแปลดูอาส่องกระจกต้องรู้คําแปลดูอาออกจากบ้านมามัสยิดก็ต้องรู้คําแปลบัวอา น, นั่งรถด้วยต้องรู้คําแปลทั้งหมดเนี่ยมันจะทําให้หัวใจของเราเป็นไงนะสงบประการที่สมนะครับประการที่สมก็คือราลึกถึงอัลลอฮ์ รำลึกถึงอัลลอโ์ดยการนำเอาความรู้ที่ได้เนี่ยไดจากการฟังที่มัสยิดไดจากการอบรมศาสนาในวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยก็เอาไปบอกต่อน่ยถามว่าไปบอกใครอ่ะก็ไปบอกลูกๆหลานๆเรานี่แหละใช่ไหมจะทำให้หัวใจของเราสงบอัลลอฮหัวอักบัดยิ่งใหญ่เหลือเกินฉะนั้นการรำลึกถึงอัลลอ์ทำให้หัวใจสงบก็มีอยู่สี่แบบหนึ่งฟังศาสนา 2ทบทวนอัลกุรอานนะครับสเผยแผ่ศาสนาสี่รำลึกถึงอัลลอฮ์ผ่านบทดวงอาต่างๆนะครับนี่เป็นของที่มุสลิมทุกคนจะต้องให้ให้เวลากับการฟังศาสนาให้เวลากับการท่องจําอัลกุรอานให้เวลากับการท่องบทดวงอาต่างๆเพื่อให้หัวใจของเรานะั้นเป็นหัวใจที่ผูกพันกับอัลลอฮ์ก็ความสงบก็จะเกิดขึ้น อาตอมาครับอายาที่สามสิสว่าตากุมมิงคุลิมาซอัลตุมู ا أ ว่าตากุมแปลว่าเราได้ประทานให้แก่สูเจ้าอัลลอฮ์เนี่ยได้ประทานให้กับท่านทั้งหลายมิงกุลิมาซอัลตุมูหู ทุกสิ่งที่สู่เจ้าขอต่อพระองค์การขอดุอาเนี่ยพี่น้องขอเธออัลลอฮ์ให้แต่ต้องมีเงื่อนไขนะขอเนี่ยต้องมีเงื่อนไขหนึ่งเสื้อผ้าที่ใส่ต้องต้องอะไรต้องสะอาดแล้วก็ได้มาจากเงินที่ฮาราลรองเท้าที่ใส่ก็ได้มาจากเงินที่ฮาราล เสื้อที่ใส่ต้องได้มาจากเงินที่ฮาลาลอาภรณทั้งหมดที่ใส่ต้องได้มาจากของที่ฮาลาลแล้วก็วัตอามูหูและอาหารของเขาที่เขาดื่มไปเนี่ยต้องฮาลาลฉะนั้นถ้าหากว่าเสื้อผ้าฮาลาลที่อยู่ฮาลาลอาหารฮาลาลได้มาในทางที่ดีขอดูอาอัลลอฮ์รับนี่คุณอานพูดชัดวอาตากลุ่มเราได้ประทานให้กับสูขเจ้า มิงคุลิมาซาอัลตูมูฮูในสิ่งที่พวกเขาขอต่อพระองค์ของที่เราขอเนี่ยนะกับของที่ไม่ได้ขอเนี่ยอัลลอฮ์ให้อะไรมากกว่ากันเราไม่ได้ขอนะอัลลอฮ์ให้โดยไม่ได้ขอเต็มไปหมดเลยเนี่ยเอา้าเนี่ยอุลมามะก็อธิบายดีนะของที่เราไม่ได้ขอจากอัลลอฮ์เลยแต่อัลลอฮ์ให้เนี่ยเรานึกบ้างหรือเปล่า เช่นอัลลอฮฺนาจัลลาฮฺอัยนายนอัลลอฮฺทำให้คุณมีสองลูกตาเคยคิดบ้าเคยขอบ้างอลลารอขอลูกตาย ส, สองงานเคยขอไหมไม่เคยขอแต่อัลลอฮฺให้ไหมให้อ่าต่อมาครับวาลิซานาวะชาฟตายนึงเล่นสองเลมฟีปากเคยขอบ้าวไม่เคย วอาว่าได้น่ะฮุนนัจะได้ในอัลกุรอานมาอธิบายนะอัลลอฮ์ให้มนุษย์นะ่ะรู้สองทางทางชั่วกับทางดีเคยขอเปล่าไม่เคยขอแต่เทียงใช่ไหมไอ้ที่ขอนะขอเมียอยากรออยากได้เมียแล้วเกินอยากมีภรรยาแล้วเกินเอาขอขออีกอย่างหนึ่งขอรถ แล้วก็ขอแล้วขอให้มีบ้านขอให้มีลูกขอไม่เกิกนรายการนะ่ะแต่ส่วนใหญ่เอาลอประทานให้โดยที่เราไม่ได้ขออัลลอฮ์ยิ่งใหญ่เหลือเกินยิ่งคนในยุคก่กอนๆเนี่ยนะคนในยุคก่กอนๆเนี่ยสมัยนบีเลยด้วยง่ายๆ ไ, นะไม่เคยขอให้มีจรวดนะ่ะไม่เคยขอให้มีให้นั่งเครื่องบินไม่ได้ขอหรอกแล้วอัลลอฮ์ก็ให้ใช่หไหมวันนี้ มีเออเอเซียมีมีไทยอินเตอร์มีมีอะไร่มีบริษัทโอ้โหเต็มไปหมดสายการบินเต็มไปหมดเนี่ยทั้งว่าพวกเราเคยขอบวางไม่เคยเอาลราให้มาเนี่ยให้มาในน้อ ย, อยคือค่อยๆประทานให้มาประทานให้มาประทานให้ม า, ร า, มาเราเคยนึกหรือเปล่าว่าจะได้นั่งอยู่บนตึกชั้นที่ห้าสิบชั้นที่รอยรอย้ยไม่เคยนึกกพตาลาให้มาหมดเลยเพราะฉะนั้น ราลากาดอัลกัมพีกุรุอ่านบอกว่าวอาตากุ่ม um, เราได้ระทานให้กับพวกท่านทั้งหลายเนี่ยมิงกุลีมาซอัลตุมูหุทุกสิ่งที่สูเจ้าขอต่อพระองค์พูถึงเรื่องดวอาดวอาเนี่ยมีอยู่ห้าห้าอะไรนะห้าอย่างนะหรายการนะหนึ่งขอแล้วได้เลยนะครับขอปั๊บเนี่ยขอกลางคืนตื่นเช้ามาได้อาจจนักเรียนเนี่ย กลางคืนยาลออ่านหนังสือยาลอก็ให้สอบได้เถอะพวงนี้พอเข้าห้องสอบปั๊บโอเขียนจับจับจับจับมก็นรอบปับจับจักจับจับก็ได้นักผ่านผ่านข้อที่สองขอแล้วได้ชาขอแล้วได้ชามีไหมมีครับอ้าวเช่นจะขอว่าจะแต่งงานไม่ต้องขอต้องอายุน้อยน้อยไดแล้วอายุสิบขวบเนี่ยเริ่มขอได้ได้ยาลอพ่อแม่ก็เหมือนกัน มีลูกสาวมาหน้าตาวสวยๆยาอัลลอฮ์อยากให้ลูกเราแต่งงานกับผู้ชายที่ดีๆมีศาสนาต้องขอแล้วมีลูกผู้ชายก็เหมือนกันยาอัลลอฮ์หน้าตาดีเนี่ยส่งบเรียนหนังสือที่ศาสนูเดี๋ยวจบมาแล้วเรียนจบปริญญาตรีต้องให้ได้ภรรยาที่มีศาสนาพ่อแม่ต้องเริ่มขอต้องแต่อายุน้อยๆนี่แหละต่อกว่าจะได้ทุกปีอย่างน้อย10บไปสิ ป, สปีสิบห้ปีกว่าลูกเราจะโตไปไหมไปน้อง แต่พ่อแม่ก็ต้องอบรมต้องขอดวงอาตเขาตลอดเวลาหนึ่งขอแล้วได้เลยสองขอแล้วได้ชาสามขออย่างหนึ่งอัลลอ์ให้อีกอย่างหนึ่งเช่นนบีเนี่ยอมามะของนางมารยมขอดวงอาให้ได้ลูกผู้ชายนะจะได้เข้าไปดูมัสยนะิดอัลอักซอที่เมืองเยรูซาเล็ม แตเวลาอัลลอฮ์ให้นะให้ลูกผู้หญิงเห็นยังอ่ะขอลูกผู้ชายแต่อัลลอฮ์ให้ลูกผู้หญิงและผลที่สุดนบีอียามมาเห็นไหมเนี่ยแผนคาราตาทั้งหมดจนเราไม่รู้ใช่ไหมบางทีขอลูกผู้ชายอัลลอฮ์ให้ลูกผู้หญิงท่น า, 3, า น, น, า ต, านาา ต, ต้องพอใจต้องภูมิใจต้องดีใจที่อัลลอฮ์ให้มาทั้งหมดนะครับเอาต่อมาข้อที่สีขอแล้ว นะครับอัลลอฮ์ไม่ให้แต่เบียงเบนบละขอแล้วเบียงเบนบละขอรวยแต่อัลลอฮ์ไม่ให้มีละเช่นเจ็บไข้ได้ยป่วยไม่มีขอให้รวยมาหปีสิบปีอัลลอฮ์ก็ให้พอไปได้นี่แหละเดือนละหมื่นแต่แค่นี้แหละขอมานะห้าปีอยากได้เดือนละห้าหมื่นหางานหาเท่าไหร่ก็ได้ไดีือนเดียว แต่ว่าสังเกตนะป่วยไม่มีเจ็บไข้ใดป่วยไม่มีลูกไม่เกเมียก็ไม่ค่อยด่าสามีเท่าไหรอ่อย่างเงี้ยมันกต้องนึกโอ้ขอบคุณอลัลลอฮ์เนี่ยฉะนั้นต้องละเอียดต้องคิดให้ละเอียดฉะนั้นขอที่สี่เนี่ยขอแล้วอลัลลอฮ์ไม่ให้แต่อลัลลอฮ์จะเบี่ยงเบ้นบาราแล้วก็ข้อที่ห้าเนี่ยขอบนดุง ญ, ญาเนี่ยอลัลลอฮ์ไม่ให้แต่ไปให้อาตอไหนหลังตายที่กูโบอ า, บาววา โอ้โหฟุวว้าดได้จีกุบสนาดีนะเพราะอยู่กุบสมอยู่คนเดียวอะ่ะฉะนั้นอัลลอฮฺประทานให้จีกุบสหมดเลยห้ามดุนเลยฉะนั้นเวนลาขอดวอาได้แน่แนแต่จะได้เมื่อไรอีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นต้องขอดวอาต่ออัลลอฮฺฉะนั้นกุูอาหรือสั่งบอกว่าว่อาตาคุมเราได้ประทานใกับท่านทั้งหลายมิงกุลิมาซอัลตุมูหูทุกสิ่งที่สู่เจ้าขอต่อพระองค์นะครับ ต่อการทอธิบายว่าเราไม่ได้ขอต่ออัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ให้มากกว่าขอนะให้เยอะแยะไปหมดเลยเอ้าวเช่นดวงอาทิตย์เด็เคยขอเปล่าอยากได้ดวงอาทิตย์ไม่เคยขอแต่อัลลอฮ์ให้ดวงจันทร์อัลลอฮ์ก็ให้มาโดยไม่ได้ขอดวงดาวอัลลอฮ์ให้มาเราไม่ได้ขอแผ่นดินอัลลอฮ์ให้มาเราไม่ได้ขอต้นไม้สัตว์ทั้งหมดแผ่นอะไรนะที่อยู่ใต้น้ําทั้งหมดแหลปลาในมหาสมุทร ได้มาโดยที่เราไม่ได้ขอหมดเลยแค่นั้นต้องขอบคุณอัลลอฮ์สุภาพนะฮูบาตาแล้เวลาพี่น้องไปเชียงใหม่ ย, ยกตัวอย่างบอกไปเข้าดาวก่อนที่ไหนก็ตามแต่ไปจานต่างประเทศเคยไหมเขียนเขียนจดหมายฉบับหนึง่งยาอัลลอ์ฉันจะไปตุรกีนะขออาหารที่นู่นด้วยไม่ได้ขอแต่อัลลอฮ์เตรียมอาหารไว้แล้วพอลงเครื่องบินปั๊บมีอาหารเตรียมไว้แล้วอ่ะขอหรือเปล่า ไม่ได้ขอเห็นไหมอัลล์นี่เอาไว้อัลลอฮตาลาเนี่เมตตามนุษย์มากมายถึงขนาดนี้แต่มนุษย์ก็ยังเนรคุณต่ออันนลลอฮ์บ ب า ا ن ه แวะลาต่อมาครับวะอินตาอุดดูถ้าหากท่านทั้งหลายจะนับอัดดดยอุดดูแปลว่านับเนี่ยมาตลอความโปรดปรานของอัลลอฮ์ ถ้าจะนับความโปรดปานที่อัลลอประทานให้กับมนุษย์เนี่ยและตัวซ uh ูฮไม่สามารถนับมันให้ท่วนได้ไม่สามารถนับมันให้ครบได้นับไม่ครบเลยจริงไหมจริงอลัลลอฮมองดูตัวเราสิตัวเราเนี่ยอลัลลอให้เนี่ยมาดมาเนี่ยมาถหู เนี่ยมัดตาเนี่ยมัดจมูกเนี่ยมัดบัร่างกายเนี่ยมัดเป็นความรู้แล oui, ้ว <ída> ก็เนี่ยอมาตุลมาเนี่ยอามาต่เป็นเงินที่อัลลอ์ให้มาเนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์หมดไหมจะฉะนั้นว่าอินตะอุดูนี่อามาตัลลอฮิลาตุซูฮ์แต่หาท่านทั้งหลายจะนับนะเนี่ยมัดความโปรดปรานที่อัลลอ ประทานให้กับสูเจ้านั้นสูเจ้าไม่สามารถนับมันให้ทวนได้ไม่สามารถรู้ทั้งหมดได้อลลอฮฺอักุบต์โอ้เห็นไมคนหลายนี่ไงอัลลออัลาฮเล่านะรับีอกรุรอานเราก็ต้องเดินตามนี้แหละนะครับเอาต่อมาครับอินนัลอินเซนแท้จริงมนุษย์เมื่อร า, าให้เนี่ยมาดมาแล้วอัลลอฮ์ก็เล่าว่ามนุษย์เป็นไงครับ ร่ำลุมอะไรร่ำลุมอาธรรมอ า, อาธรรมอาธรรมดือ้อแล้วต่อไปอีกกาฟาร์เนรคุนคำว่าร่ำลุมกับกาฟาร์แปล ว, ว่าอาธรรมกับเนรคุนอธิบายอย่างนี้คือมองข้ามเนี่ยอมามัดที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยมองข้ามหมดเลยมองข้ามทั้งหมดนั่นแหละ เพราะฉะนั้นอัลลอฮฺเลยสังนะ่งในการพิจาราุณอานถ้าพี่น้องที่อ่านคุรอ่านนี่นะจะรู้เช่นท่านอาจุบอัลอับบัดได้อธิบายอย่างนี้นะครับบอกว่าท่านตอลกบินฮะบิบรอฮีมอุลลอฮอันนี้เป็นอัลมอฮตับเซตอธิบายดีก็บอกว่าอินนั้นิ่อัมัลลอฮิอักษร เนี่ยอมตาจของอัลลอฮ์ที่ประทานให้กับมนุษย์นั้ น, นมันมากเหลือเกินมากจนกระทั่งว่ามนุษย์ไม่สามารถที่จะนับมันได้เพราะฉะนั้นวะดากินอัลบาฮูตาอิบินวะอัมซูตาอิบิมีอยู่อย่างเดียวที่เขาแนะนํานะอุลามะแนะนํานะเมื่อเราไม่สามารถนับเนียอำนาจความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้ให้ครบถ้วนได้เนี่ยให้ทําอย่างนี้ ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยให้เป็นผู้ที่เตาบะตัวต่อ a l l h ต้บ้าตัวเลย a s t a g h ฉันขออภัยโทษต่อลในความผิดที่ฉันได้ทำไว้เยอะๆะ a atu b u i l ฉันขอลูกอโทษตนต่อล l ให้พูดคานี้เยอะๆ a s t a g h f i r u คุณตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยใช่ไหม รำลึกถึงอัลลอฮ์อ่านกุรนานนมาดเสร็จแล้วรำลึกถึงอัลลอฮ์และกล่าวคานี้เยอะๆอัสตัคฟิรุลลอฮวาอตูบุฮิลัยเคยไหมไปน้องเลยอา้าวว่าอัมซูตาอีบินพอตอนเย็นๆก็เหมือนกันช่วงเช้ากับช่วงเย็นเนี่ยให้รำลึกถึงอ AH <ๆ>ัลลอฮ์เยอะๆให้ตา บ, บ้า ต, ตัวต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหูวาตาอัลาให้ไหมไปน้องแทนการอะไรแทนการ เนี่ยแทนการนับเนี่ยอมาตของอัลลอ์เพราะมันนับไม่ท้วนอยู่แล้วอะ่ะฉะนั้นไม่มีอะไรดีเท่ากับทำตัวเป็นคนดีอย่าดือ้ออย่าทอดยศนะครับให้ขอบคุณอัลลอ์ให้นึกถึงอัลลอ์สุบฮานาูวาตาลาเวลากินข้าวอะ่ะนึกถึงอัลลอฮ์ทำไงเนี่ยอาหารวางอยู่บนโต๊ะเนี่ยเต็มไปหมด อ, ะอ่ะเรียกว่าปูผ้าปูอาหาร โอ้มีอาหารต่างหลายชนิดเนี่ยบนโต๊ะบนผ้าปูอาหารเนี่ยเวลานึกถึงอรรถน่ะมาถึงนึกถึงคนจนๆน่ะไปเชิญคนมานั่งกินอาหารน่ะเชิญมานั่งกินอาหารที่บ้านเราเนี่ยอา้าวไปเชิญหลานมาไปเชิญลูกมาไปเชิญญาติน้องใกล้บ้านเรือนเคียงเนี่ยมานั่งทานอาหารเพราะอุลามะเนี่ยเขาแนะนํำมาไว้ดีนะ เขาไม่เคยทานอาหารคนเดียวเนี่ยเป็นการขอบคุณอัลลอฮ์อาหารเช้าเนี่ยเบรคฟาสต์ Breakfast เนี่ยฟูตูดแต่ตอนเช้าเนี่ยไม่เคยทานคนเดียวต้องเรียกเพื่อนบ้านมาเชิญเพื่อนบ้านมาเชิญใครตะใครมานั่งเนี่ยแล้วก็ทานอาหารพร้อมๆกันสองคนสมคนสี่คนก็นั่งคุยกันตอนเย็นๆอาหารค่ำก็เหมือนกันเนี่ยเป็นการขอบคุณอัลลอฮ์สุภาโนูวตาลาทั้งหมดเนี่ย เพราะฉะนั้นรูปแบบในการขอบคุณอัลลอฮ์มีอยู่หลายวิธีนะครับถ้าร่างกายแข็งแรงเนี่ยต้องสูดอยูเยอ่เยอะถ้าเงินเยอะๆ เ, เนี่ยอมาตมาตุลมานมีเงินเยอะต้องบริจาคเยอะๆเะนี่ยบางคนนี่ไม่เคยบริจาคเลยบริจาคในวันปีใหม่อะไม่เคยบริจาคเลยเดินตามใครเดินตามยโฮดีกับนัสโรวนี เดินตามคนชาวโลกอ่ะไม่ได้นึกถึงซุนนะ น, นาบีเลยว่นานบีสั่งให้บริจาคช่วงไหนนี่เอาช่วงวันขึ้นปีใหม่สงท้ายปีเก่าท้าวาเดินตามใครการบริจาคดีไหมดีนบีสอนอย่างนี้ตาฮาดูตาฮาบูให้บริจาคให้ให้ของขวัญกันมันจะทําให้คนเนี่ยเกิดความรักใคร่กันให้ของขวัญกันเนี่ยทำให้เกิดความ รักเห็ไหมแคะนั้นให้แขวัๆดีหมดเลยเอล๋อไม่มีอะไรก็แค่ยิ้มยิ้มเห็นหน้าก็ยิ้มแตอัสลามวะอะไกูอ๋อรอัมันเป็นความสุขนะถ้าเราเอาสุนัขนาบีมาใช้ในชีวิตประจำวันท่านนาบีได้กล่าวบอกว่าเนี่ยให้กล่าวอย่างเงี้ยบ่อยๆนะอัลลอฮุมะลกัลฮัมดูอ่าดูอนะ Um a ล l a h na, na ul ah ini, boy, boy. Um l u m m a lakal h a m d นี่ฮะดิษค่ะอิมับุ خار ีนะอันน رسولullah ก็จะย่าูดนบีจะพูดคานี้บ่อยๆอ l l a h u m m a lakal hamdu โอ้ Allah บรรดาการสรรเสริญทั้งหลายเป็นของ Allah لا مودعين ولا مستغنين عنه ربنا ความเมตตาที่ Allah ให้มาเนี่ยยังยังต้องการอีก ไม่ใช่ให้มาแล้วก็ให้เป็นครั้งสุดท้ายไม่เอาให้มาเรื่อยๆอย่าเอาลออยากได้นี่ยอามัดอันเนี้ยบ่อยๆเรื่อยๆเรื่อยมนบีขอดูอาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกันเอาดูอาของท่านนบีนั่นมาใช้นะครับแล้วก็เดินตามนบีนะครับขอบคุณอัลลอ์อยากนี่ยอามัดที่อัลลอ์ให้มาเนี่ยอยาให้มันหยุดประทานลงมาเรื่อยๆสม่ำเสมอนะครับ ฮัตติอธิบายต่อไปอีกนะครับว่าท่านอานัสบินมาลิกเนี่ยก็เล่าประวัติของท่านอานัสนิดหนึ่งท่านอานัสเนี่เป็นซอฮ า, าบ้านบเีเป็นคนที่มีแต่งตัวสวยสะอาดแล้วมีลูกกี่คนรู้บา่างมีลูกแปดสิบสามคนห้มดนิลยหะคนรุ่นก่อนเนี่ยเขาเขาถามว่ามีลูกกี่คน คนรุ่นก่อนเนี่ยนะรุ่นสว้าบ้านอับดีนะแต่รุ่นนี้เขาถามยังไง ร, รู้ไม่มมีเมียกี่คนสมัยก่อนนะเขาถามว่าลูกกี่คนสมัยนี้ถามว่าไงนะมีภริคากี่คนต่างกันคนสมัยก่อนใครมีลูกเยอะหคนนี้ชั้นหนึ่งมากเลยอัลลอฮฺอักบาดีร์มั้ยมีสมาชิกเต็มไปหมดต้องกับกูอ่านอัลมาลวัลบาณูนปัจจัยโลกดุนยานะ่ยมีสองอย่างนะ มีเงินกับมีลูกหรือมีพวกเนี่ยใครที่มีเงินกับมีพวกอยู่บนดุนยาเนี่ยลงสสก็ได้ลงสอขอก็ได้สอวอได้หมดแต่ว่าถ้ามันจะลงเพื่ออัลลอฮ์นะมันก็สุกเฉพาะดุนยาและอาคิอร์ไม่สุกนะทัานจะลงอะไรก็ตามนะต้องทำเพื่ออัลลอฮ์ให้หมดอา้าจะลงสอวอเพื่อเอาตำแหน่งสอวอไปเผยแผ่ อ, อิสลามฮามดุลิลลา มีตำแหน่งสสจะได้เอาตำแหน่งสสเนี่ยเอาเงินจากรัฐบาลมามาดูแลด้านาศาสนาอัลฮัมดุลิลาห์ได้ตำแหน่งอะไรมาก็ตามนึกอย่างเดียวว่าต้องการพัฒนาคนให้เข้าใจอิสลามนะครับดูแลมัสยิดดูแลโรงเรียนดูแลดูแลเด็กดูแลคนดูแลมุสลิมมะให้เข้าใจาศาสนาอย่างนี้ลงไปจะลงอะไรก็ลงไปมีประโยชน์มีผลบุญ ตอบแทนจากอัลลอ์ตลอดเวลานะครับท่านอานัดได้รายงานบอกว่าในวันกิียมะเนี่ยนะอัลลอ์จะมีบัญชีอยู่สามบัญชีโอ้บัญชีเราเนี่ยนะมันจะบัญชีเดียวนะสาบัญชีบัญชีที่หนึ่งเนี่ยบันทึกเรื่องดีดีดีดีดีดีดีดีอย่างเดียวบัญชีที่สอง บันทึกแต่เรื่องชั่วชั่วชั่ว่วที่เราทําไว้นะสองบัญชีแล้วนะบัญชีที่สามเนี่ยเนี่อธรรมที่อัลลอฮฺประทานให้มีอะไรบ้างเห็นไหมพี่น้องนี่แค่นี้เราก็หงายท้องพึงแล้วเห็นไหมอธิษฐานบัญชีของทุกคนมีสามบัญชีบัญชีที่หนึ่งรายงานเรื่องดีดีดีดีดีอามะลุนสอเลหุนอะไรบ้าง อมามันฑิตซอและอ่านนามาตยครบห้าเวลานมาตยสุนัตอ่านอัลกุรอานวิเคราลล้วฟังศาสนาเรียนศาสนาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ติดต่อกับญาติพี่น้องดูแลลูกดูแลภรรยาดูแลบ้านดูแลศาสนาดูแลมัสยิดดูแลโรงเรียนโอ้เนี่ยผลบุญกูในบัญชีหนึ่งแล้วอีกบัญชีหนึ่งก็ตัดขาดญาติพี่น้องด่าญาติพี่น้องใช่ไหมใหม่มานามาที่มัสยิด เป็นน้องโกงทรัพย์เศนคนนั้นตบคนนี้ต่อยคนนี้ใช่ไหมดานน่าคนนี้นินทาคนนั้นอยู่ในอีกอีกอีกอีกบัญชีหนึง่งแล้วก็บัญชีอีกบัญชีหนึงคือ น, นี่ยามาที่อัลลอฮฺประทานให้กับเราอะ่ะมีอะไรบ้างอะ่ะขอด้วยไม่ได้ขอด้วยใช่มหมเป็นน้องขอบคุณอัลลอฮฺนี่นะท่านอนัลลอฮรายงานว่าท่านนบีพูดอย่างนี้นะครับ นบีดาวูดอะลัยฮิสลามอธิบายต่ออนดียงนะนบีดาวูดอะลัยฮิสลามเนี่ย anyway? บอกกับอัลล์วายารอบไกฟะอัชกูรุกฉันจะขอบคุณอัลลอฮ์ยังไงเราเคยถามไหมเคยถามอัลลอฮ์มายาอัลลอฮ์ฉันจะขอบคุณอัลลอฮ์ยังไงนบีดาวูดถามอัลลอฮ์วายารอบโอ้ผู้อัยการของฉันไกฟะอัชกูรุก ฉันจะขอบคุณอลัลลอฮ์ยังไงวะชุครีแลก็เนี่ยมะมิ่งกะอะไรอ่การขอบพระคุณของฉันเนี่ยนะมันก็เป็นเนี่ยมะมัที่อลัลลอ์ประทานให้กับฉันฉันจะขอบคุณอลัลลอฮ์ยังไงอ่ะนี่ยมะัที่อลัลลอ์ให้กับฉันเนี่ยมันเยอะไปหมดฉันจะขอบคุณอลัลลอฮ์ยังไงอ่ะเพราะว่าอย่างนี้ภัพอลัลลอฮ์ก็บอกว่าอัลอฮชะคาร์ตานี่าดาวู ภาษาที่คุณพูดนี่แหละนี่แหละเป็นการขอบคุณฉันแล้วใช่ไหมแค่เรานึกถึงอัลลอฮ์น่ะเป็นการขอบคุณอัลลอฮ์แล้วอ้าวเห็นเนี่ยมือมือโทรศัพท์มือถือวางอยู่หน้าเราใครให้มาพอนึกว่าอัลลอฮ์ให้อะนี่ขอบคุณอัลลอฮ์แล้วนอนอยู่กับภรรยาเนี่ยนี่ภรรยาอัลลอฮ์ให้มาเนี่ยนี่ถ้ามาใช่อัลลอฮ์ไม่ให้แต่งกันนะไม่มีสิทธิ์ที่จะจับมือเขาหนาะอัลลอฮ์แม่ไปน้อง ริสกีอาหารอยู่บนโต๊ะในเราทานอาหารเช้าพอศัยปากบิสมิลลาห์อัลลอฮ์นึกขอบคุณอัลล์เนี่ยอัลลอฮ์ให้อาหารเช้ามาเนี่ยเมื่อวานนี่มีน้อยวันนี้มีทั้งสามรายการแค่นึกถึงอัลลอฮ์ว่ามาจากอัลลอฮ์นี่แหละเป็นการดำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วอัลฮัมดุลิลแลอิเป็นองครับเสื้อผ้าที่เราใส่ก็เหมือนกันเป็นองอัลลอ์อกุบะฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ แล้วก็เสื้อผ้าที่เราเลือกเลือกมาถูกใจที่สุดแล้วใช่ไหยพอนุกวันนี้เป็นของฝากที่มาจากอัลลอฮ์อัลล์ประทานให้อัลฮัมดุลิลลาห์นีเป็นการขอบคุณเัาแต่อาลาแล้วอัลลอฮฺอัลกุบะด์อัลฮัมดุลิลลาห์นี่นะทั้งหมดเหล่านี้เป็นความดีทั้งหมดอินนัลอินซานอัลอฮมลูมุงกับฝาแท้จริงมนุษย์เนี่ยนะครับอาธรรม ยิ่งแล้วก็เนรคุณยิ่งมาจึงมองข้ามสิ่งดีๆไปหมดคือมนุษย์เป็นงี้เวลาได้รับความเดือดร้อนนี่นะนั่นคนไม่ขอบคุณอัลลอฮ์นะสังเกตนะเวลาได้รับความเดือดร้อนนะโวยวายได้รับความเดือดร้อนมีปัญหาโวยวายด่าคนนั่นตําหนิคนนี้ฟ้องคนนั่นฟ้องคนนี้ นั่นคนไม่มีอีมานไม่มีาศาสนาเรียกว่าคนซอเลมคนกาเฟร์ม ม, มุสลิมก็เหมือนกันถ้าเอานิสัยนี้มาใช้กับตัวเองเนี่ยก็คือเวลามีความเดือดร้อนโวยวายมีปัญหาเดือดร้อนเนี่ยโวยวา ย, ยู่เดียวและปัญหามีทุกคนไม่ใช่ไม่มีนะอัลลอฮทดสอบทุกคนแหละขนาดนาบียังมีใช่ไหม คนระดับบิ๊กบิกระดับใหญ่ๆเนะี่ยอัมบิยะก็ถูกซอลิไีนคนดีดีก็ถูกอาลลอาลียะตตวะลีวะลีนะถูกทั้งหมดอนะ่ะไม่มีใครไม่ได้รับการทดสอบจากอ AH. mm ัลลอ์เมื่อถูกแล้วเนี่ยคนครับถ้าโวยวา ย, วายคนนั้นไม่ใช่คนดีเป็นอเลิมคนอาธรรมและคนทอรยศต่ออัลลอฮ์เอาเวลาได้รับได้รับความสุข คนร่ำเร่ทำตัวไงรู้ไหมเที่ยวเนี่ยออกพรตเตงเมาวาเนี่ยยังไม่กลับเลยนะบางคนนะนะไปไหนเ่ยเที่ยววันปีใหม่เวลามีเงินมีทองมีรีสุกีแทนที่จะขอบคุณอล l l a h แทนที่จะเข้ามาสัสยิดแทนที่จะนึกถึงคนยากคนจนนึกถึงโรงเรียนนึกถึงมสัสยิดนึกว่าฉันนี่จะหาความสุขยังไงอ่ะนั่นคือคนร่ำเรมกับคนกาเฟ่ แด่ีตรงกันข้ามนี่นะครับมนุษย์ถ้าหาเป็นคนที่มีอีมานเวลาเขาได้รับมุซีบ้านเนี่ยเขาอดทนไม่โวยวายอดทนครับไม่คุยให้ใครรู้ด้วยแค่ปรึกษากับใครก็ไม่อารอตื่นมาตอนดึกๆตอนที่สีขึ้นมาอาบเ น, น้านามาแปลงฟันนามาเสร็จแล้วก็ยอย่ารอฉันมีทุกข์ฉันมีความเดือดร้อนเนี่ย บางที่ร้องไห้อยู่คนเดียวเอาผ้าหม่หมห่มแล้วก็ร้องไห้อยู่คนเดียวนี่คือมุเมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหูบาดะละแล้วก็เป็นห่วงคนหน้ามุหมินคนกาฟเฟตเป็นอย่างไงนะอัลลอฮ์ให้สองอย่างนะให้อำมให้เงินกับให้อำนาจแต่มุหมนเนี่ยอัลลอฮ์ให้เหมือนการเงินก็ให้อำนาจก็ให้แต่ให้อะไรมากกว่าไปน้องความเป็นห่วงความเป็นห่วง นี่จะเอากุรานมามาอธิบายเนี่ยพ่อระห่วงเพื่อนมนุษย์น่ะต้องการจะให้เพื่อนมนุษย์ทุกคนนะมีความเป็นห่วงซึ่งกันและกันนี่แค่ลูกไม่ตื่นนอนตอนซูบ่เนี่กับพ่อแม่กับอึดอัดแล้วโอ้โหลูกฉันนอนไม่ตื่นเนี่ยภรรยานอนไม่ตื่นนี่หลานยังน้องไม่ตื่นองนี้ถามว่าอึดอัดไหมคนไม่ใช่มุหมินสบายๆแต่คนที่เป็นมุหมนินอึดอัด กับลูกๆ ล, ละหลานที่ไม่ตือนตอนน้มาสุบกตอนเชา้าๆเนี่ยยิ่งไม่เอาซุน่าเข้าหมู่บ้านโ อ, โ, โอ้โหยิ่งอ่ดอัดใ่เลยครับนั่นคือผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์นะครับฉะนั้นุมเมนตต้องสบติ ต, ต, ต้องอดทนนะครับเวลาได้รับนีอยมาจากอัลลอ์แล้วเป็นไงพนนงี่น้องนึกถึงอัลลอ์ขอบคุณอัลลอ์นะครับบริจาคทำความดีสม่าเสมอแต่คนซอเลียมกับคนเกาเฟ็ ใช้ชีวิตกับมุมนไม่เหมือนกันนะครับเอาต่อมาอายะห์ ท, ที่35อิกอิบรฮมบบิะลฮะซาลเลดอามินาและจงรำลึกถึงอิสเนี่ยแปลว่าจงรำลึกถึงให้นึกให้นึกให้นึกนึกเรื่องอดีตเห็นยังว่าอิสลามเนี่ยุรานี่สอนให้คนอ่านคุรานนั้นนึกเรื่องอดีต ทั้งๆที่เราเนี่ยเกิดไม่ทันเราห่างกับนบีอิบรอฮีมกี่ปีหลายพันปีนะอัลลอฮ์ให้เรานึกถึงนบีอิบรอฮีมนึกว่าไงกอย่อิบรอฮิมเมื่อนบีอิบรอฮีมกล่าวว่าตรงนี้มาถึงขออุอากา่า ว, ว่าเนี่ยหมายถึงขอดุดมอาขอว่าไงนะรับบิจัลฮะเซลเบลดา รอบบีแปลว่าข้าแต่พระผู้อภิบาลของฉันอิจอัลโปรดทำให้ฮาดัลบาลัดเมืองนี้อามมนันปลอดภัยหมายถึงเมืองมักกะเมืองมักกะทุกวันนี้เนี่ยนบีบรอยฮีมขอดูอาเอาไว้ ตั้งแต่ท่านยังเป็นนบีอยู่ยังมีตาแหน่งเป็นนบีอยู่หลังจากที่ได้เอาภรรยาชื่อนางฮาร์กับอิสมาอีลูกชายคนโตเนี่ยไปตั้งหลักแหล่งที่ทิมักกะแล้วก็ขอดูอาต่ออัลลอ์เลยพี่น้องวันที่ท่านขอดูอาเนี่ยวันไหนหรือไมวันที่ท่านเอาภรรยาที่ชื่อนางฮาร์กับอะไรนะ กับอิสมาอินไปตั้งหลักแหล่งที่นครมักกะพอเอาไปวางไว้ตั้งหลักแหล่งนบีบอฮิมเดินกลับพอเดินกลับนางภรยาก็มองถามว่าเอาฉันมาปล่อยทำไมเอาฉันมาปล่อยทำไมโอ้โหนี่ถ้าเรานะเป็นเรานะถ้าจะเอาลูกภรยาไปปล่อยเนี่ยต้องเลือกใกล้ใกล้เซเวอเวใช่ไหม พอมันซื้อของได้สะดวกอ่ะแต่วันนั้นอะเซเว่นอเลเวไม่มีเคยขอเปล่าไม่เคยจะลองให้มาเนี่ยซเวอีเว่นี่ยพ่นาพ่น้องอยู่อยู่ริมบ้านหาเงินอย่างเดียวน บ, บีอิบราฮิมเอาภรรยาไปไว้ที่นั่นเอาลูกไปทิ้งที่นั่นอ่ะไม่มีเซเวนอีเลเวโอ้โหให็ม พ, พี่น้องทั้งหลายแล้วก็ฝากใครในพี่น้องนู่นฝากอาลัลลอฮ์นั่น่ะ ล้วขอทวงดาว่าไงนะรบบิญจ ah ัลฮาลบลาดามินาโอ้ลลห์เมืองนี้ที่ฉันเอาภรรยาฉันไปไปไว้เนี่ยก็ลูกเนี่ยให้เป็นเมืองเมืองที่สงบแล้วก็อัลลอ์รับดววเปล่ารับใครสร้างเมืองนี้เหมือนมะกเนี่ยใครสร้างผู้หญิงสร้างอัลล์อดขอบคุณอัลลอ์นี่ผู้หญิงสร้างเมืองมะ ก, กาดวงดวนี้นะอ่ะทีนี้ พอนบีเดินกลับเนี่ยพี่นอ้องพอรับเดินกลับพอห่างตาเนี่ยห่างตาภรยามองไม่เห็นนี่นะภรยาก็เรียกนี่เอาฉันมาปล่อยทําไมฉันมาปล่อยทําไมนบีพริมเดินกลับไม่ได้มองหน้าภรยาเลยเสร็จแล้วภรยาถามว่าอัลลอฮ์สั่งให้เอามาใช่ไหมนี่คํานีนะ้ออกมาจากใจของภรยาที่มีาศาสนาที่มีอีหมานเห็นยังเขาไม่ลืมอัลลอ ภรรยาถามว่าเอาฉันมาปล่อยเพราะอัลลอ์สั่งใช่ไหมอิบราิบอกว่าใช่เพราะใช่นางพูดเลยอีดันไล ย, ยูดีอานาถ้าอัลลอ์สั่งอัลลอ์จะไม่ทำลายจะไม่ทำลายพวกเราใครพูดครับผู้หญิงภรรยาที่ออกมาจากหัวใจที่อีมานศรัทธาต่ออัลลอ์สุพานณวตลาลนี่เรื่องครอบครัวนะพี่น้องนะ แล้วก็นบีเทียนก็เดินพอภรรยามองไม่เห็นนะก็เป็นหลบๆก็ขอดูอาตอละหันหน้ามาทางมาทางกะบ่าวันนั้นกะบ้านน่ะมันมีแหล่งอยู่แล้วนะแต่ว่าอาคารไม่มีรากฐานเดิมมีความจริงกะบ้านน่ะมีตั้งสมัยน บ, บีอาดัมแล้วน บ, บีอาดัมเป็นคนสร้างกะบ้าไว้พอต่อมาเนี่ยน้ํา ม, มันท่วมมาแล้วก็มันพังไปแล้ว เราก็ยกกะบาขึ้นไปคืออาจจะจมหายไปเลยก็ได้นะแต่ว่าร่องรอยของการสร้างกะบายังอยู่อ้าวทีนี้นบีอิบราฮิมเนี่ยเอาภรรยานะไปวางไว้ที่ใกล้กะบาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกกันนบนบีอิบรอฮิมนะครับทีนี้พอเอาไปปล่อยเสร็จแล้วนี่นะครับนบีขอดูอานะ รบบิอัลฮัลบดอาินาอัลลให้เมืองนี้เป็นเมืองที่ปลอดภัยแล้วขออีกเรื่องหนึง่งวะนุบนีวะบนียันาบดัลอันามและได้โปรดทำให้และได้โปรดช่วยฉันและลูกของฉันเห็นไหมวะนุบนีและได้ทรงช่วยฉันและก็ใครอีก ว่านี่และลูกของฉันอันนาบูดัลอัสนามให้พ้นจากการบูชารูปเจ้าเวทอัลลอฮฺอัลอาดอัลฮัมจุลิลละว่จะโนบันีให้ตัวฉันและครอบครัวฉันลูกฉันห่างไกลจากการบูชารูปเจ้าเวทรูปปั้นเนบิยิบรอฮิมขอพื่นรัน้องแสดงว่า การบูชารูปเจเวิตเป็นเรื่องเลวร้ายเป็นเรื่องไม่ดีเอาล้อโกรธเลยเห็นไหมขอสองเรื่องขอให้ที่อยู่อาศัยของภรรยาลูกที่อยู่นั้นปลอดภัยสองอย่าให้ลูกไปบูชารูปเจเวิตอย่าบูชาดวงอาทิตย์อย่าบูชาดวงจันทร์อย่าบูชาตะยะตย่อโตกีนะครับอย่าบูชาโตะตะเกียต์ระยองอย่าบูชาคนตาย แต่ให้บูชาใครนะบูชาอัลลอฮ์ตาลาองค์เดียวบู่ยาตายายก็ไม่ให้บูชาบูชาใครบูชาอัลลอ์อย่างนี้เป็นต้นนี่นบีอิบรอฮีมขอพี่น้องครับแล้วก็อัลลอ์รับไหมท่านสุฟยานบินอุยัยบินอุยัยนะอธิบายว่าลูกหลานของนบีอิสมาอินเนี่ยไม่มีใครบูชารูปจเจวทเลยนะ แต่ที่เราทราบนะที่นครมักกะมีรูปเจเวตในกะบ้านเนี่ยส60กสกว่ารูปเนี่ยใครเป็นคนผลิตใครเป็นคนทำใครเป็นคนเอารูปเจเวตเข้ากะบ้าไม่ใช่ลูกหลานของนบีอิสมาอินไม่ใช่ลูกหลานของนบีอิบรอฮิมเพราะท่านขอดูอาไว้แล้วอัลลอฮ์รับแต่มีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมาอาศัยอยู่หลังจากนางฮะยัอิสมาอินอยู่ที่นั่น ต่อมาพวกยุธหุมจีมรอฮามีมพวกยุธหุมพวกนี้ตั้งหากที่มาอาศัยอยู่แล้วก็มีพลพลเมืองเพิ่มขึ้นก็พวกนี้เป็นพวกบูชารูปเจเวทไม่ใช่ลูกหลานของนบีอิสมาอีนอิบรอฮมไม่ใช่ไม่ใช่นางฮะจัตลูกหลานของนางฮะจัดไม่ใช่เพราะนางฮะจัตกับอิสมาอินนบีสามีขอดอุให้ ไม่บูชารูปเจวเวตแต่กลุ่มอื่นมาบูชารูปเจวเวตแทนแล้วก็เอารูปเจวเวตเข้าไปอยู่ในกะบะเต็มไปหมดเลยแล้วคนที่มาขจัดออกเป็นคนสุดท้ายเนี่ยใครรู้ไหมนบีมุฮัมมัดสลุล ล, ลัลฮวาลาฮิุวาสซัลลัมพอยึดนครมักกะเซดเนี่ยอยู่ในใจนบีเลยว่าเมือง น, นี้ต้องเป็นเมืองที่สะอาดสะอาดจากการไม่บูชารูปเจวเวต คอนาเ บ, บ ย, ยึดนครมกักกะบอกท่านอบูบักอบูบักสิ่งแรกที่ท่านต้องทําเคลียรูปเจเวตออกจากกะบะให้หมดเห็นไหมน บ, บีทำสักไรไหมสาเร็จวันนี้เราก็ทำนะรูปเจเวตในบ้านเราต้องไม่มีบ้านใครบ้านมันดูกันเองรูปเจเวตอธิบายได้หลายอย่างนะหนึ่งรูปภาพโปโปในบ้านเราไม่มี รูปคนสําคัญสําคัญดังๆที่ฝาผนังบ้านเราไม่มีแม้จะรูปพ่อแม่เราเองที่เสียชีวิตไปแล้วใส่กอบว่า ย, ายี่ยไม่มีต้องสะอาดถ้าจะมีก็มีอะไรนะอายะอัลกุรอานเออหลายๆอายะเขียนไว้ตัวโตๆอยู่ริมฝาผนังอย่างเงี้ยดีแล้วก็ในบ้านเราจะไม่ทําชริกหมอดูหมอตำยาไอหมอตนำยาเอาไว้ใช่นะแต่หมอดูเนี่ยอย่าเอาไว้นะครับ พวกผีสางเทวดาเนี่ยอย่าไว้รู้เปล่าวิธีไล่ไล่ผีไล่ไล่ใช้ตอนที่อยู่ในบ้านทำไงอ่อ่านคู่อ่านสุราบะกะรอเยอะๆพอตอนเย็นๆเช้าๆอ่านดุอาบดนี้บิสมอลลอฮลลฮฺลลอัฮฺอลลอฮฺอัฮอัลอฮฺอัลอัลอฮฺลฮฺอัมาอฮฮัลลอฮอลลอฮลอฮอััลลอฮอลลอฮฺอลลอลลอฮ มินฉริมาข้อแรนี่ดูอาไล่ชัยตอนไล่ผีมันจะเอาเข้อสารไปคว้างเอาเกลือไปคว้างไม่ใช่มันจะเอาใครมาเป่านน่นเป่านี่ไม่ใช่เราอ่านเองเปา่าเองท่านั้นตอนจะนอนอ่านสามกุญชาเช้าอ่านสามกุญย็นอ่านสามกุญอ่านกุรานในบ้านปลุกลูกนมาดเวลามีญาณบ้านมียุนุปอย่าแช่ยุนุปทําไงไปน้อง ถ้าไม่อาบน้ําไม่ผิดสุนนะแต่ให้มีน้ําน้มาดเก็บเอาไว้พอมีจะน้าบาปนี่นะเข้าห้องน้ําอาบน้ําน้มาดเก็บไว้ไปอาบน้ําตอนซูโบ๊กพวกนี้ถูกไม่มีปัญหาแต่อย่าปล่อยให้ไม่มีน้ําน้มาดและชายตอนมันจะเข้าบานเรามันอันตรายไปถึงตอนตายด้วยนะกาวกะลีมาไม่ได้ละอิละอิลลัลนี่พูดไม่ได้เพราะชอบแช่ชอบแช่อยู่นุ๊ แช่ปะะระธรรมอเพราะเราไม่เข้าใจสุ น, น, นัขนบีกัดูถูกสุ น, น, นัขนบีหาว่าคณะใหม่พวกวาฮาบีที่นายได้เ้าสอนให้เราเนี่ยยึดสุนนะมาใช้ในชีวิตประจําวันก็ไปดูถูกเขาไล่เข้ามาแหกเข้าสู้ร้องสู้เหาบ้างอะไรบ้างคิดผิดหมดแล้วก็เสียใจตอนตายจะเสียใจนะครับเอาต่อมาครับกูอานย่าที่สามสบหก รับบอินนหุนนาข้าแต่พระผู้อภิบาลของฉันอินหุนนาอับดลลันกาซีรอมมินันนัสพวกเจ advisors, วตเนี่ยรูปเจวตเนี่ยนะคนที่บูชาเจวตเนี่ยเป็นยังไงมันทำให้ส่วนมากของมนุษย์ล้มไม่ได้พาไปสู่สวรรค์เลยแต่พาไปไหนพาไปนรก พาไปสู่ความหลงนี่แค่บูชารูปเจเบตอย่างเดียวนะแฮปปี้เบิร์ดดีก็จัดได้ขึ้นปีใหม่ก็จัดได้ลอยก็ทงก็ทำได้แฮปปี้เบิร์ดเดตัดเค้กก็จัดได้อะไรที่เป็นของใหม่ๆที่หูตาไม่เคยผ่านรับได้หมดเลยถ้าทิ้งสุ น, น, นัขนบีแล้วก็ยึดเอาประเพณีปฏิบัติจนันบรรพระบุรุษ บูชารูปเจวเวตอย่างเดียวรับได้ทุกเรื่องเห็นไหมเป็นน้องเรื่องอย่างเดียวรับไม่ได้คือนมายกับกุรานมุฮัมมัดสามสี่เรื่องเนี่ยรับไม่ได้นอกนั้นรับได้หมดเลยจริงไหมยี่คุรานสังน่งเองคุรานเล่าให้ฟังอินนาหุนอับดุลละลักซีรอ ม, มินานานาสัสรบบีโอพระบูบานของฉันเอย๋ยพวกมันทําให้มนุษย์ส่วนมากเนะี่ยเป็นน้องครับเป็นไงนะลง อธิบายยังไง ร, รับใจทุกรายการจะเป็นอะไรมารับมวยก็รับได้แข่งมา้าแข่งหมารับได้หมดวิ่งแข่งกันส่วนหลวงรอก้าก็รับได้รับได้ทุกอย่างเลยเล่นหงเล่นหวยการพรนันรถมาก็ถ่ายเบอร์รับได้หมดยาบงยาบ้ารับได้หมด ท, ทําสิ่งตรงสิณนะรับได้แบบสบายสบายท่าบูชารูปเจเว็จบูชาตัวยอ่อบูชาตัวตะเกียร์ทำเต็มหมดเลย ของที่หาลามะรามทำได้ง่ายเพราะอัลลอฮ์เล่าทากัฟีร์อานแล้วรับบีอินนหุนนะอับดุลละนะกะซีรอมเมนันานะข้าแต่เฮเบานของฉันพวกมันทำให้มนุษย์ส่วนมากเนี่ยหลงฟามันตาบิงอานีดังนั้นผู้ใดปฏิบัติตามฉันอ่านี่ยอัลลอฮ์พูดมาถึงตามนาบี ม, มุฮัมมัดเนี่ยนะ ปาอินนาูมินีแท้จริงเขาเป็นพวกของฉันนบีก็สอนนะครใครที่ปฏิบัติตามฉันและปฏิบัติตามซอฮาบ้านบีคนนั้นแหละเป็นพวกของอัลลอฮ์ให้ให้หลักการไว้ง่ายๆนะปฏิบัติตามนบีปฏิบัติสุนนะนบีและปฏิบัติตามซอฮาบ้านบีที่นบีรับรองเนี่ยนั่นแหละเป็นพวกของนบีและพวกของอัลลอฮ์เห็นไหม ชัดเจนแยกแยะระหว่างคนหลงกับคนไม่หลงคนอยู่ในทางนำกับคนอยู่ในทางมืดคนในที่สว่างกับที่มืดเนี่ยไม่อยู่ที่นิดเดียวว่าถ้าปฏิบัติตามนบีปฏิบัติตามมุฮัมมัดปฏิบัติตามสุฮับบะปฏิบัติตามคุรานอยู่ในทางสวาง่างแท้ไม่เอาสองสามรายการนี้อยู่ในทางมืดถึงจะร่ํารวยมีชื่อเสียงขนาดไหนก็ตามอยู่ในทางมืดอยู่ในทางหลงต่อมาครับ ว่ามันอาโซนดังนั้นผู้ใดละเมิดอาซนนี่นอาโซแปลว่าไม้ตะพดถ้ามีเป็นอาลิฟนะถ้าหาเป็นอา ญ, ญาเนี่ยอาโซแปลว่าดูฉะนั้นอาลาโซลีมาอาโซในภาษาอาลามเขียนดีนะคนดือด้อๆต้องต้องถูกลงโทษ ด, ด้วยไม้อะไรไม้ตะพด อันนี้พ่อแม่ก็จัดการกันอย่างนี้อัลอฮฺอนเรืมันอัลออัลอฮแปลว่าสองอย่างอัลอฮฺแปลว่าไม่เถะพอดอัลอแปลว่าทรยศดื้อขัดขืนไม่เชื่อฟังว่ามันอัลอฮฺนี่ใครที่ดื้อใครที่ละเมิดใครที่ขัดขืนต่อฉันฟ่อินนักแท้จริงอัลลอฮ์กล้ามาถึงอัลลอฮ์เนี่ยนะรอฟูรุนผู้ทรงอภัยรอให้มุนผู้ทรงเมตตาตอนไหน ทั้งๆ ท, ที่ดื้อแล้วน่ะรอการอาภัยตอนไหนหลังจากเต้าบั้ตัวหลังจากลุกกระโทษตนต่ออัลลอฮ์ถ้าดันทุรางจงกนกระทั่งตายไม่ยอมเต้าบัาง้งอัลลอฮ์ก็เล่นงานนายกูโบเอาอะไรมาเล่นพี่น้องเอายังมาเล่นเอางูมาเล่นเอาตะขาบมาเล่นแล้วก็ตะขาบหรือนายกูโบใต้ดินกับตะขาบที่วิ่งอยู่บนดุนยานี่ต่างกันนะ ต่างกันไอต้ตะขาบที่เดินอยู่ก็จะมาแค่ตัวเดียวแต่ตะขาบในกุโบนมาเป็นพันตัวพนะร้อมกันอลองตายอยู่สิมัน จ, จะเจ็บแสบแค่ไหนก่อนนึกถึงลูกกษัต ร, ริย์คนหนึ่งในะสมัยนิคลิฟานน่แะเที่อัญาใช้ชีวิตแบบมีความสุขในกาเทีงสี่คน คอนิก้าเสร็จแล้วก็อยู่ม่ได้กี่เดือนอยายาทั้งสีแล้วก็นิก้าใหม่อีกสี่ไปเลือกคู่หญิงส ว, ส, วสวยสวยสวยสวยมาอยู่เขาเรียกว่าวอญญ า, ายาใช้ชีวิตแบบมีความสุขแล้วพูดว่าใครว่ามุมมินมุสลิมหาความสุขใส่ตัวไม่ได้ก็เชิญหาไปสิแต่ไปนั่งรู้ไหมอายุสาสบห้าน่ะตายแล้วแล้วมีลูกชายอยู่คนชื่ออายู อายุพอตาก็เสียใจร้องไห้ในสมัยอะไรนะคลิฟ์อะอุมัดบินอับดุลอาซิสตอนเอาเมยิตลงหลุมหอศพเรียบร้อยแล้วเอาลงลงลงห ล, ลุมเขาใช้ลูกลูกหลุมเนะนี่ศพดิ้นพอศพเด่นลูกชายว่าพ่อพ่อฟื้นแล้วก็ดีใจนีว่าพ่อฟื้นนะ คอลีฟ้าอุมาคุณอาซารดพูดว่าอายุเ้ยพ่อคุณไม่ได้ฟื้นหรอกอัจจัลลอฮุณอักูบาอัลลอฮรีบลงโทษก่อนฝังใช่ไหมไปต้องทหล า, ายอัลลอฮรีบลงโทษก่อนฝังท่า น, นอาซาร์ในกูโบโมีแน่ครับพี่น้องะท่านคนที่ทําชั่วบนดุนยาใบนี้เนี่ยนะอัลลอฮ์นะฟามันอัซอนีใครที่ทรยศ ต, ต่อฉันไม่เอาซุน่านอับี ปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธรอสูลปฏิเสธสุนนะเนี่พี่น้องแล้วก็ไปยึดประเพณีปฏิบัติของของโตะโตะแช่แชทิ้งสุนนะทาั้งวีทั้งหมดเนี่ยคนนั้นเป็นคนที่ทรยศต่อฉันแล้วก็คนที่ทรยศต่อฉันเนี่ยฝ่าอินนกแท้จริงอัลลอ์เนี่ยนะกอฟูรุนอภาภัยโทษให้อภัยตอนไหนหลังจากเตาบ้าตัวมาเรียนศาสนา มาสนใจอัลกุรอานมาสนใจสุ น, านาัานบีทิ้งประเพณีเก่าๆให้หมดและยึดอัลกุรอานและสุนัขนบีเป็นแบบในการดำเนินชีวิตตั้งหากฟ่อินนาก็รฟูรอรอฮีมอัลลอฮ์ก็จะอาภัยความผิดที่ทำมาในอดีตแล้วก็รอใหมุนแล้วก็ทรงเมตตาพี่น้องครับท่านอับดูลลาบินอัมรินได้รายงานบอกว่านาบีมุฮัมมัดเนี่ยอ่านกุราอานอายนี้แหละ นึกถึงน บ, บีอิบราฮิมอ่านก็อ่านอาย่นี้นบีก็อ่านรอบบี ah บบ آ آ อินอาหุนอาอุดลล์นากะซิรอมินนัสเราจะบีอ่านอีกอาย่นะเอกนึกถึงน บ, บีอิซาอะลัยฮิสสลามนบีอสซาอ่านถวายนึกถึงน บ, บีอิสซาอ่านตนาระะงไหนอินตุอาซีบะฮุมฟาอินอาหุไมบะดุคแปลว่าถ้าหากอัลลอ์ลงโทษพวกเขาเหล่านั้น ลงโทษมนุษย์มนุษย์ก็บ่าวของท่านอัลลอฮ์จะลงโทษทําไมนะครับนบีก็อ่านอาย่ญญานี้นึกถึงนบีอีสาขอดูอาต่ออลัลลอฮ์นะโอ้อลัลลอฮ์ลงโทษเขาทําไมมนุษย์นะ่ะเพราะมนุษย์ก็เป็นบ่าวของท่านนาบีมูฮัมหมัดอ่านดูอาอาย่ญญานี้นบีก็ร้องไห้นบียกมือขึ้นอัลลอฮุมะอุมมัดีอัลลอฮุมะอุมมัดีโอ้อัลลอุมะของฉันอุมะของฉัน แล้วตาเบีก็ร้องให้อัลลอฮ์อยู่บนอารัชของอัลลงบอกยิบรีนบอกยิบรีนไปหาโมหัตสิลงมาหาโมหัตสิถามว่าร้องให้ทําไมพอยิบรีนลงมาก็มาถามว่าอัลลอฮ์ส่งฉันมามาถามว่าท่านร้องให้ทําไมโมหัตก็เล่าเพราะว่าฉันเป็นห่วงอุมม่าของฉันอยาให้อัลลอฮ์ลงโทษยิบรีนขึ้นไปข้างบนไปเล่าให้อัลลอฮ์ฟังอัลลอฮ์ก็บอกว่า อินนาสันาร์ีกะมินอฟีอุมมติกะเราจะพอใจในประชาชาติของท่านทุกคนพึงพอใจคนชั่วด้วยหรือไม่ใช่อัลลอฮ์เลือกเฉพาะคนดีเท่านั้นเองอัลลอฮ์เป็นน้องเห็นยังนะโอ้ทำโดเร็วๆเนั่นอย่าไปเหมาว่าอัลลอฮจะลาเนี่ยให้เมตากับคนทุกคนนะเฉพาะคนที่ ฟาแมนตาบีอานีฟาอินนาหูมินนีตาบีอิบรอฮีมก็ขอดูอาบทนี้แหละนะครับราอามะยะสุดท้ายสามสบเจ็ดรบบนาฆ่าแต่พูกอริบาลของเราเอ๋ยอินนีอัสกันตูมิซูรตีแท้จริงฉันได้แต่งได้ตั้งหลักแหล่งได้ให้เขาอยู่เข้าอาศาัยอยู่ที่ไหน ขครอยู่ครับมินซุรีอตีจากบางคนของลูกลูกของฉันลูกน่ะลูกชายน บ, บีบรหิมีสองคนแต่ไม่ได้เอามาทั้งหมดเอามาเป็นบางคนเอามาอยู่ตรงนั้นเห็นไมเวลาขอดูอานขอดีใช่มหมบางคนลูกของฉันฉันเอาไปตั้งแหลกแหล่งไว้ ที่ไหนบีวาดินไรดีดีซาเรนที่ลุ่มที่ลุ่มลุมนั่นแหละไรดีดีซานที่ไม่มีพืชที่ไม่มีต้นไม้เห็นไหมอ้นบิบรอฮิมขอชัดเลยนะยาลอฉันได้เอาลูกของฉันบางคนไปตั้งหลักแหล่งไว้ในที่ที่ไม่มีพืชไม่มีต้นไม้ แต่ไม่ได้บอกว่าไม่มีน้ํานะอ่าแสดงว่ารู้ว่าน้ํามีแต่พืชไม่มีเห็นไหมพืชไม่มีจนทั้งวันนี้กี่ปีตั้งแต่สมัยอิบรอฮิ ม, มาถึงสมัยนี้นะที่มะ ก, กาเนี่ยพืชไม่ค่อยมีอ่ะใช่ไหมเพราประเทศมร้อนเนี่ยแล้วก็พืชมาจากไหนอ่ะจิตเต็มมะ ก, กาถึวันนี้อ่ะอ่ะจบบาจะไเริ่มขอดูอาต่ออีกอินดาบัยติกะ ที่ไหนนะใกล้ๆลบ้านของท่านเห็นไหมไ <c oughs> ม่ใช่บ้านเอาลอยอยู่ตรงนั้นหมายถึงมักกะในสถานที่เป็นกะบะอยู่ตรงนั้นเรียกว่าใบติกะบ้านของท่านอัลมุฮารรอมมุฮารรอมแปลว่าบ้านอะไรนะบ้านที่ต้องห้ามต้องห้ามใครอะ่ะไม่ให้คนกาเฟตเข้าไปเพ่นพลานที่นั่นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ที่มีเกียรติ ไม่ไม่อนุญาตให้คนคาเฟ่น o มุสลิมเข้าไปเพ่ผพานที่นั้นยะฮูดีนัสรลณีห้ามเข้ามุชรินห้ามเข้าเห็นไหมอัลลอฮ์เนี่ยนบีบรฮิมขอไว้ในะไปน้องนะรับบานาลิโอกีมุสลาพอขอเสร็จให้สถานที่อยู่ปลอดภัยแล้วนะครับไม่มีต้นไม้แล้วแต่มีน้ำนะ โออัลลอฮ์ลิยูตีมุสลัมไปพวกมหายบาลของพวเราเอย่ยเพื่อพวกเขาจะได้ดํารงนามาต์ตัวลงมาขอดุทิศต่ออัลลอฮ์ให้ลูกหลานของฉันที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยทำนามาตใช่ไหมพออยู่สบายแล้วเนี่ยพอมีที่อยู่สบายแล้วรองลงมาที่สําคัญที่สุดอะไรนามาตวันนี้ก็เหมือนกันนะท่านพี่น้องมีบ้านอยู่แล้วลองไม่นามาตดูสิ บ้านท่านไม่มีบรากาฉะนั้นบ้านจะบ้านเป็นบ้านเล็กบ้านใหญ่จะมีที่ดินสักสิบตารางวายี่สิบตารางวาไม่สำคัญเมื่อมีที่อยู่อาศัยแล้วอย่าลืมต้องนามาต้องขอบคุณอรนึกถึงพวกเราที่หนีน้ำน้ำท่วมมานะ่ยพอมีที่อยู่ใหม่ถึงไม่ดีเท่ากับที่อยู่เก่านะยังไม่นามาตเลยนี่ขาดทุนยางย่อยยับนะครับเอาต่อมาครับ ฟจัลอัฟิดะตมินันนสขอต่อไปอีกดังนั้นอัลลอฮ์ได้ทรงโปรดทำให้อัฟิดะแปลว่าหัวใจทำให้หัวใจมนันนัสจากหมู่มนุษย์บางกลุ่มทำให้หัวใจของหมู่มนุษย์บางกลุ่มตะฮวีไลฮิมโนมเอียง หาพวกเขาโดยเถิดให้มนุษย์บางกลุ่มที่อยู่นอก น, อกนครกะบ้าเนี่ยในประเทศเขมรไทยลาอเมริกาญี่ปุ่นเนี่ยเอาบางกลุ่มนะไม่ใช่ทุกกลุ่มนะโอนโนมเอียงคิดถึงพวกเขามาถึงลูกหลานของนบีอิบรอฮีมนำโดยนางฮาจักัอิสมาเอนอยู่ที่นครมะกาเนี่ยให้คนประเทศอื่นๆ น, นึกถึงพวกเขาแล้วก็วันนี้ดวอัลลอ์ลอรับไหรับ พวกเราอยู่ในประเทศไทยนึกถึงมาก้าไหมนึกขออุทิศให้ไหมไม่อยากไปไหมอยากไปอยากไปทำพัดไปทำบุญร้อแล้วก็เอาเงินทองไปทิ่งที่นั่นนะอู้คนละกี่หมื่นอย่างน้อยหนึ่งหมื่นใช่ไหมรวยหน่อย ก, ก็สาม0มืนางมานหน่อยก็แสนหนึ่งเอาไปซื้อของที่นั่นแล้วใครได้ประโยชน์ลูกหลานของนบีอิบรอฮีมมาจากนาบีอิสมาอินใช่หรือไม่ใช่ใช่พี่ต้องสะเก็ดนะ อฟิดตัตันนาสเนี่ยแปลว่ามนุษย์บางกลุ่มอัลลอฮ์นบีอิบราฮิมขอดุอาให้มนุษย์บางกลุ่มไม่ใช่ทุกกลุม่มถ้าทุกกลุ่มแล้วคุณอาออธิบายดีนะท่านอิบนอบบาอับบัสอธิบายบอกว่าท่านมุจาฮิดท่านซาอิดเรากคล่ะอฟิดัดตันนสัสถ้านบีอิบรอฮิมขอดุอาว่าอฟิดัตันนสัสไม่มีมินตัวมินไม่มีเนี่ย แปลว่าหัวใจของมนุษย์ทั้งหมดแต่พอใส่มินไปภาพเนี่ยเลือกเฉพาะมุมินผู้ศรัทธาต่อตอัลลอฮ์เท่านั้นหัวใจของผู้ศรัทธาเท่านั้นเองที่อัลลอ์ที่นบีอิบราฮีมขอดัาถ้าไม่ใส่มินนี่แสดงว่าคนอะไรนะคนยะฮูดีก็เข้าคนนัสรอคนนัสรอก็เข้าบูซีคนชาวพุทธก็เข้าใช่ไหม คนบูชาจเวดดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ของชื่อไปหมดคนบูชาพระพ ร, ะรามในอินเดียก็เข้าด้วยใช่ไหมแต่เนี่ยอัลลอ์อิบรอฮีมเลือกเฉพาะมินานนาสคนบางกลุ่มก็คือคอซบิฮิลมุสลิมูนเลืองเฉพาะผู้ศรัทธาต่อ Allah, ตอัลลอฮ์ท่นนั้นวันนี้ใช่หรือไม่ใช่นะ่ะพอไปนครจะเข้ามากาักกะเขาเขีเขยนไว้นะ ไม่อนุญาตให้คนที่ไม่ใช่มุสลิมเข้าเขตนั้นเห็นไหมนบีอับดุอเบร์ริมขว้ตั้งตั้งกี่พันปีมาแล้วอัลลอฮ์รับถอายทั้งหมดเลยอาจจะด้านขอบคุณอัลลอฮ์นะครับพี่น้องอต่อมาครับนบีขอดถอายนะฟาจัลอัฟิดะตัมมินันนาสิตาฮวีอิไลฮิมวุารุซุกุฮุมพอขอดถอายให้หัวใจของมนุษย์บางกลุ่มเนี่ย โน้มเอียงไปที่นครมักกะลูกหลานของนบีอิสมาอินก็เขาต่อไปอีกเรื่องที่นั้นนะเรื่องที่สามวัดรูปุมบทประทานริสุกีเครื่องยังชีพให้กับพวกเขาด้วยมีนัสซามารอผลไม้ผลไม้ความจริงไม่ใช่ผลไม้อย่างเดียวนะอะไรก็ตามที่สามารถผลิตออกมาแล้วทำเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ได้เนี่ยเข้าหมด แต่ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องผลไม้ฉะนั้นผลไม้ในซาอุดีเนี่ยไม่ค่อยมีต้นเมืองต้นไม้ไม่ค่อยมีแต่ไปดูสิวันนี้ผลไม้เต็มไปหมดเลยในนครมักกะทั้งมาดีนาะเต็มไปหมดเลยผลไม้จากประเทศทั้งหมดนะ่ะประเทศอยู่ตรงยุโรปส่งไปนู่นหมดเลยตรงถามคุณเฉลิมพี่เฉลิมนั่งอยู่นี่เป็นคนส่งสินค้าไปขายในซาอุดีอาราเบียมาหมดลแล้วต่ใครม้เราก็มีตะกูดมะกูดก็มีชันมีไหม มีครบตุวอย่างในซาอุดีอาระเบียใช่ไหมนี่ยกุรอานชัดละอัลลาฮุมยัชกูรุนเพื่อพวกเขาเหล่านั้นจะได้ขอบคุณอายานีเป็นข้อคิดนะคิดจะได้มากลองสังเกตนะนบีอิบราฮีมขอขอดูอาเรื่องแรกก็คือหลังจากเอาลูกไปปล่อยแล้วขอดูอาให้บ้านเมืองสงบ แล้วก็ขอดัอาให้ลูกนามาดเห็นไหมเห็นไหมเรื่องนามาดเนี่ยมาเรื่องอาเคโรแล้วเรื่องเรื่องรุนยาเรื่องโลกอาเคโรเรื่องนามาดมันเรื่องโลกอาเคโรแล้วก็ต่อมาเรื่องริสกีเนี่ยเรื่องของโลกดุนยา แล้วก็ตามด้วยลาอัลลาฮมยัชกรูนเพื่อพวกเขาจะได้ขอบพระคุณขอบคุณในงานดุนยาด้วยงานอาคิรองานอาคิรอเห็นไหมอายาเดียวเนี่ยพูดถึงเรื่องอาคิรอสองครั้งนามาดงานอาคิรอยัชกุรูนขอบคุณอัลลอฮ์งานอาคิร un, อ, الله, อรสแสวงหาฤสกีงานดุนยาเห็นไหมข้างหน้าอยู่ข้างหน้ากับหลังสุดงานอาคิรอ ตรงกลางงานดุนยาแสดงให้เห็นว่ามนุษย์มุสลิมมุมินอยู่บนโลกดุนยาใบนี้ต้องแสวงหางานอาคีร์มากกว่าแสวงหางานดุนยาการที่ดุนยาเนี่ยต้องมีนะต้องมีเงินต้องมีไหมต้องมีบ้านมีไหมต้องมีมียังไงอธิบายง่ายๆอุลมะก็แนะนําดีนะในตัปเสดเนี่ ย, ยเยขาบอกว่า ดุนยานี่นะปัจจัยริสกีเนี่ ย, เ ป, ยเปรียบเสมือนห้องน้ําที่อยู่ในบ้านเราห้องน้ําต้องมีไหมมีเข้าเวลาจําเป็นจําเป็นจําเป็นพอเข้าห้องน้ําไปแล้วออกมาคิดถึงคิดถึงส้วมไหมไม่คิดฉะนั้นมุมมินอยู่บนดุญญนยาไปนี้สแสวงหาริสกีของอัลลอฮ์เมื่อสแสวงหาแล้วไม่ใช่นึกแต่เรื่องเงินเงินเงินไม่ใช่ ให้นึกถึง Allah, อัลลอฮ์เยอะๆแบบเข้าห้องน้ำพอเข้าไปแล้วลืมไม่มีใครใส่ใจเลยไปนอนขับรถตืงห้องน้ำห้องบุมของหบกนาคุลมันสวยจังอัลลอ์มีส่วมอย่างดีราคาเราบินอ่อนนี่ใครนึกหรอกแค่นั้นอยู่บนดุนยาใบนี้สแสวงหาริสกีของอัลลอฮ์เป็นปัจจัยเพื่อที่จะให้อยู่บนโลกดุญญนยาใบนี้แต่ไม่ใช่หลงดุนยาแต่ให้หลงโลกอาคือรอดเยอะฉะนั้นอายานี้สอนดี อิบราฮีมขอดูอาตอลอ AH, ให้ได้นะให้นามาตงานอาคิราะให้ขอบคุณอัลลอฮ์ตอนสุดท้ายละอัลลาฮุมยาชกุรูนงานงานอาคิราะตรงกลางวัดซุกุฮมุมให้เสวงหาริซกีงานดุนยาสแสดงว่าดุนยากับอาคิราะเราต้องคิดถึงอาคิราะมากกว่าโลกดุนยาครับ سبحانك ALLAHumma ubihamdika شُوَلَى إِلَّا إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَاتُوبُ إلَيْكَ وَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ و َ ب َ ر َ ك َ ا ت ُ